มาเป็นคณะบ้างบางคนก็มาเข้าสามวันเจ็ดวันบางคนก็มาอยู่เป็นเดือนและก็มีไม่น้อยที่ตั้งใจมาอยู่เจ็ดวันแต่พอครบกำหนดแล้วก็ไม่ยอมกลับเพระาะทราบซึ้งในรสพระธรรมร้อนถึงสามีหรือภรรยาต้องมาอ้อนวอนขอให้กลับไปช่วยกันเลี้ยงลูกส่วนประเภทที่มาแล้วอยู่ไม่ได้เพราะไม่ถูกชะตากลับ พองหนอยุบหนอต้องม้วนเสือกลับบ้านไปก็พอมีบ้างแต่พวกที่มาแล้วไม่ยอมกลับนั้นมีมากกว่ารสชาติของอาหารมื้อนั้นช่างอร่อยถูกปากคุณหญิงเส้นักแม้จะเป็นอาหารพื้นๆที่ดูแล้วไม่เชิญชวนให้รับประทานต่อเมื่อได้ลิ้มลองเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าฝีมือระดับนี้หาตัวจับยากแกงหน่อไม้อร่อยจัง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 นี่คุณหญิงนะป้านะขอโทษเจ้าค่ะคุณหญิงอีฉันไม่ทราบจริงๆอย่าถือสาคนบ้านนอกคอกนาเลยนะเจ้าค่ะแม่กลัวพูดพร้อมกับยกมือขึ้นไหวปลกปลกไม่เป็นไรจ้ะแม้กับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยปลาเกลือทอดเค็มกำลังพอดีแกงส้มผักกาศดองก็รสกลมกล่อมใส่ผงชูรสหรือเปล่าจะ ไม่ได้ใส่เจ้าค่ะหลวงพ่อท่านให้ใส่สติแทนบอกว่าผงชูรสก็สู้ไม่ได้เป็นยังไงจะใส่สติคุณหญิงไม่เข้าใจคือท่านให้แม่ครัวเข้ากรรมาฐานเจริญสติปัฏฐานสี่คนละเจ็ดวันเวลาทำกับข้าวก็ให้กำหนดสติเจ้าค่ะถึงตอนนี้คุณหญิงก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ได้ยินสติปัฏฐานสี่เป็นครั้งที่สองแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรอิ่มข้าวแล้วก็ต้องไปเรียนถามท่านพระครูสักหน่อยเรื่องอะไรจะต้องมาถามแม่ครัวให้เสียชื่อคุณหญิงท่านรัฐมนตรีคนมากจริงนี่ข้ากับข้าววันหนึ่งวันหนึ่งคงตกหลายพันสินะคุณหญิงพูดพรางหันไปมองโต๊ะอื่นๆ ที่คนนุ่งขาวห่มขาวทั้งชายหญิงกำลังรับประทานกันอยู่เจ้าค่ะแล้วแต่แขกมากแขกน้อยก็เลี้ยงคนทั้งวัดนี่เจ้าค่ะบางวันก็มีคนถึงห้าร้อยค่ากับข้าวก็ตกสามพันเฉลี่ยหัวละหกบาทต่อ ว, วันนี่ขนาดวันละสองมื้อนะเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านให้ถือศีลแปกันทุกคน แล้ววัดเอาเงินที่ไหนมาจ่ายละจ๊ะก็มีคนบริจาคเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่ถ้าไม่มีจริงๆหลวงพ่อท่านก็ก็ทำไมจ๊ะคนเป็นคุณหญิงอยากรู้แม่ครัวคล้อมตัวลงเอามือป้องปากกระซิบว่าหลวงพ่อท่านก็เชื่อเข้ามาเจ้าค่ะพอมีเงินท่านก็เอาไปใช้เขา ตายจริงและพวกที่มาอยู่วัดหลา ย, ลายวันทางวัดไม่เก็บเงินเขาหรือไม่เก็บเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านไม่ให้เก็บท่านบอกว่าเขามาสร้างฟาร์มดีเราต้องสนับสนุนแต่ว่าบางคนเขาทำบุญให้วัดบ้างเหมือนกันก็พรอยได้ะสมประเสริฐไปว่าก็ว่าเธอนะคะคุณหญิง คนสมัยนี้จะทำฟาร์มดีกันทั้งทีก็ต้องให้จ้างกันแม่ครัวออกเสียงความเป็นฟาร์มในตำรวจที่ติดตามรัฐมนตรีแอบสังเกตว่าคณะอุบาสกอุบาสิกาที่มาบำเพ็ญศีลภาวนาต่างพากันรับประทานอย่างสงบสงี่ยมไม่มีเสียงพูดคุยกันเลย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 เสร็จจากอาหารขาวก็เป็นอาหารหวานซึ่งมีเพียงอย่างเดียวคือข้าวเมาพลารสเลิศที่ว่ารสเลิศเพราะหวานมันเค็มพอดิบพอดีคุณหญิงมีอันต้องเรียกแม่ครัวคนเดิมมาถามอีกว่าป้าจะ๊ะข้าวเม่าพลาอร่อยจังทำยังไงจะ๊ะฉันจะได้ไปบอกแม่ครัวที่บ้านให้ทำบ้างแม่ครัวหน้าบานอีกครั้ง สาทยายว่าทำไม่ยากหรอกเจ้าค่ะคุณหญิงแต่ถ้าจะให้อร่อยมันต้องอาศัยแท็กติกอะไรจะแท็กติกคุณหญิงเป็นงงเป็นภาษาฝรั่งเจ้าค่ะคุณหญิงไม่เคยได้ยินหรือเจ้าค่ะหล่อนออกเสียงฝรั่งไม่ได้เลยเป็นฝารั่งไปไหนลองสะกดให้ฟังหน่อยสิ มีตัวอะไรบ้างเผื่อฉันจะรู้จักโอ้ยไม่ได้หรอกเจ้าค่ะอีฉันไม่ได้เรียนหนังสืออย่าว่าแต่ภาษาฝรั่งเลยภาษาไทยก็ไม่กระดิกหูอ้าวแล้วทำไมใช้ภาษาฝรั่งได้ล่ะจ๊ะอีฉันจำเข้ามาเจ้าค่ะแม่ครัวสารภาพสงสัยคงจะเป็นเทคนิคมั้งป้า คนเป็นรัฐมนตรีทวงเออใช่ใช่เจ้าค่ะนางหันไปพยักพเยิร ก, กับรัฐมนตรีแล้วจึงหันไปพูดกับคุณหญิงว่ามันต้องใช้เทคนิคเจ้าค่ะคุณหญิงเทคนิคอะไรบ้างในป้าลองบอกหน่อยได้ไหมจ๊ะอุ้ยทำไมจะไม่ได้แล้วเจ้าคะเทคนิคขั้นแรกก็คือ การเลือกข้าวเม่าที่จะนํามาพราดนั้นน่ะต้องเลือกชนิ่มนิ่ ม, มวิธีที่จะได้เข้าเม่า น, นิ่มก็ต้องอาศัยเทคนิคอีกเหมือนกันคือข้าวที่จะเอามาคั่วนนั้นน่ะจะต้องเกี่ยวมาตอนสดสดที่เม็ดยังไม่ทันเหลืองแต่ว่าถ้าเขียวเกินไปก็แสดงว่ายังเป็นน้ํานมอยู่ยังใช้ไม่ได้ต้องให้สีอมเขียวอมเหลือง ถึงกำลังดีเสร็จแล้วก็เอามานวดให้เหลือแต่เม็ดแล้วก็คั่วพอคั่วเสร็จก็ใส่ครกตำทั้งที่ยังร้อนๆอย่าปล่อยให้เย็นเพราะเข้าเม่าจะแข็งต้องตมร้อนๆจะนิ่มเห็นไหมคะว่าเวลาตำก็ต้องใช้เทคนิคพอตำเสร็จก็เอามาฝัดอย่างมีเทคนิคก็คือต้องเก็บกา ก, ากออกให้หมดแหม เทคนิคแยะจังนะป้านะรัฐมนตรีขัดขึ้นเจ้าค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่อร่อยสิเจ้าค่ะจ้ะจ้ะแล้วยังไงอีกจ้ะคุณหญิงอยากรู้เมื่อฝาดเสร็จก็เอาเกลือมาละลายกับน้ำฝนที่อบด้วยดอกมะลิชิมให้พอเค็มปะแห่มปะแห่มอย่าให้เค็มเกินหรือว่าจืดเกิน เสร็จแล้วก็เอาน้ำเกลือมาพรมที่เข้าเม้าให้ทั่วเวลาพรมก็ต้องใช้เทคนิคนะเจ้าคะคือพรมให้พอหมัดมาถ้าแฉะเกินไปเข้าเม้าก็จะติดกันเป็นก้อนแต่ถ้าพรมน้อยเกินไปเข้าเม้าก็จะนิ่มไม่เสมอกันเมื่อพรมน้ำเกลือทั่วแล้วก็หากระมังหรือว่าฝาม่อมาครอบหมักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง ระหว่างที่รอเอามะพร้าวขูดมาขูดมะพร้าวก็ต้องเลือกที่ไม่แก่หรือว่าอ่อนจนเกินไปเวลาขูดก็ต้องใช้กระต่ายขูดไม่ใช้เครื่องเพราะจะทำให้บูดเร็วแล้วก็ไม่ต้องขูดให้ถึงก้นกะลาเดี๋ยวจะดำดูไม่น่ากินเสร็จแล้วก็เอาไปคลุกกับข้าวเม่าที่หมักเอาไว้ครุกให้ทัท่วๆนะเจ้าคะ่ะเวลาจะรับประทาน ก็น้ำตาลโรยหน้าบางคนก็นิยมรับประทานกับกล้วยไข่ไม่มีกล้วยไข่จะใช้กล้ยน้ําว้าแทนก็ได้อ๋อน้ําตาลที่จะใช้ก็ต้องมีเทคนิคนะเจ้าคะก็คือต้องเลือกที่ชนิดเม็ดเล็กๆถ้าเม็ดใหญ่ต้องนํามาป่นเสก่อนเวลาป่นก็ต้องใช้ครกที่สะอาดเพราะหากมีกลิ่นพลิกหรือว่ากลิ่นกระเทียมปน มันก็จะเสียฟาร์มอร่อยเจ้าค่ะสทธยายจบก็หอบหักหักเพราะเสียงที่ใช้ดังเกินพิกัดไปหน่อยขอบใจจะป้านี่ได้ความรู้เยอะแยะเลยพูดพลางยกแก้วน้ำขึ้นดื่มเพิ่งจะสังเกตว่าแม้แต่น้ำก็ยังอร่อยจึงออกปากชมอีกว่าน้ำนี่ดื่มแล้วชื่นใจจัง น้ำฝนหระเจ้าป้าเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านให้รองไว้ในแท้งการรองน้ําฝนก็ต้องมีเทคนิคนะเจ้าคะคนเทคนิคมากอธิบายเห็นคนฟังไม่ซักจึงพูดต่อไปว่าคือตกหนแรกฝนสองอย่าเพิ่งไปรองเพราะฝนละอองยังไม่หมดต้องฝนที่สามถึงหนที่สี่จึงจะใช้ได้ ดังนั้นนอกจากจะอิ่มท้องแล้วคุณหญิงก็ยังได้เทคนิคการทำข้าวเมาพล่าเป็นของแถมอีกด้วยอารมณ์เธอดีขึ้นเรื่อยๆและไม่ขัดข้องที่สามีจะกลับไปคุยกับท่านพระครูอีกเธอเองก็เริ่มจะสนใจท่านพระครูมีอะไรๆพิเศษไปกว่าพระที่เธอเคยรู้จัก หลังอาหารเพนคณะครูสลิตกลับไปปฏิบัติต่ อ, อยังศาลาที่พักเวลาสองทุ่มท่านพักครูนัดให้ไปสอบอารมณ์และจะสอนเดินจงกรมระยะที่สีให้วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายท่านจะสอนเดินระยะที่หและที่หพวกเขาจะรู้จักวิธีเดินจงกรมทั้งหระยะภายในสามวัน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 พระคุณเจ้าไม่รู้สึกหิวเหรอครับในตำรวจถามเพราะตัวเข้าแม้จะรับประทานวันละสามมื้อก็ยังต้องหาอะไรมารองท้องแทบทุกครั้งก่อนเข้านอนไม่หิวอาตมาชินแล้วสมัยเดินธุ ด, ดงไปป่าดงพญาเยน็นเคยอดเจ็ดวันเจ็ดคืนติดติดกันยังอยู่ได้ท่านพระครูตอบพระคุณเจ้าคะอีชันเออ สงสัยจังเลยค่ะว่าพระคุณเจ้ารู้ได้อย่างไรเ้าว่าคนคนนี้คิดอะไรหรือมีความเป็นมาอย่างไรคุณหญิงถามขึ้นอาตมาใช้เห็นหนอน่ะสิคุณหญิงสนใจไหมละ่ะสนใจคะ่ะทำยังไงคะไม่ยากหรอกคุณหญิงวิธีง่ายๆใครๆก็ทำได้แต่ต้องทำจริงๆ ถ้าทำไม่จริงก็ไม่ได้วิธีที่ว่าก็คือให้เจริญสติปัฏฐานสี่พอสติถึงขั้นเห็นหนอก็เกิดเองอย่าลืมว่าเห็นหนอเนี่ยมีค่ามาหาศาลทีเดียวใช้ดูกฎแห่งกรรมได้ชัดแจ๋วเลยดิฉันขอเรียนวิชาที่ว่านี้ได้ไหมคะหรือว่าผู้หญิงเรียนไม่ได้ทำไมจะเรียนไม่ได้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 ส่วนคุณนายลำใหยก็ปากจัดด่าเป็นไฟแลบเลยแกอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่เคยเรียนวันหนึ่งแกมาหาอาตมามาฟ้องเรื่องผัวเจ้าชู้อาตมากับครูวงรู้จักกันดีแกมาที่วัดนี้บ่อยๆพอคุณนายลำใหยมาฟ้องอาตมาก็เลยบอกแกว่าถ้าอยากให้ผัวเลิกเจ้าชู้ก็ต้องกมาเข้ากรรมาฐานที่วัดเจ็ดวัน คุณายลำไยก็มาอัตมาก็สอนให้แกเจริญสติปัฏฐานสี่ปรากฏว่าแกทำไม่ได้เลยเดินจงกรมก็ไม่ได้ขวาอย่างเป็นซ้ายอย่างซ้ายอย่างเป็นขวาย่างเพราะแกไม่รู้กระทั่งว่าข้างไหนเท้าซ้ายข้างไหนเท้าขวาอัตมาก็ลองให้แกนั่งสมาธิด้วยการกาหนดว่า พองหนอยุบหนอแกก็ว่าทำได้สบายมากและแกก็นั่งขัดสมาธิปากก็ว่าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอว่าเสียงดังเชียวแต่พออาตมาถามว่าพองท้องเป็นยังไงยุบท้องเป็นยังไงแกก็ไม่รู้เรื่องอาตมาก็จนปัญญาจึงถามแกว่า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 แล้วก็บอกไปสอนให้แม่ท่องท่องได้แล้วให้มาหาลูกแกก็ไปสอนแม่ท่องวลรคมสองคำหายไปเป็นเดือนแกกลับมามาท่องแหตามาฟังได้ถูกต้องแม่นยำอัตมาก็บอกว่าดีแล้วทีนี้เวลาไหว้พระสวดมนต์ให้ท่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็พาหุงมหาการหนึ่งจบแล้วก็พุทธคุณอย่างเดียว เท่าอายุบวกหนึ่งแกอายุ52ก็ให้ท่องวันละ53แรกๆ แ, แกก็นับเม็ดมะขามเวลาท่องพอสติดีขึ้นแกจําได้ไม่ต้องนับเม็ดมะขามพอดีขึ้นอีกแกก็บอกแกท่องได้วันละร้อยแปจบโดยไม่ต้องนับเม็ดมะขามเพราะสติมันบอกเองรู้เองเหมือนกับที่เราตั้งนาฬิกาปลุกไว้จับเวลาตอนนั่งสมาธิ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 แต่ที่แท้ไปหาเมียน้อยซึ่งเป็นแม่ม้ายอยู่ที่ปากน้ำโพหายไปสี่วันขากรับให้เงินแม่ม้ายไว้สามร้อยคุณนายลำใหญ่แกอยากรู้ว่าผัวไปไหนแกก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างละสองชั่วโมงขณะที่จิตเป็นสมาธิแกก็อธิษฐานว่า ขอให้แกได้ตาทิพย์แกอยากรู้ว่านายวงไปทำอะไรอยู่ที่ไหนอธิษฐานจิตเสร็จแล้วแกก็กําหนดเห็นหนอเห็นหนอแล้วแกก็เห็นหมดว่าผัวไปทำอะไรที่ไหนท่านหยุดเล่าและถามขึ้นว่าคุณหญิงว่าดีไหมเรียนเห็นหนอไว้คอยตรวจดูท่านรัฐมนตรีว่าไปไหน ดีค่ะอีชันสงสัยอยู่บ่อยๆเหมือนกันว่าที่เขากลับบ้านดึกๆดื่นๆบ่อยๆนั่นน่ะแอบไปจุ๋จิงกับอีโนบ้างหรือเปล่าคุณหญิงได้ทีก็เลยขี่แพะไล่ผมไม่มีหรอกครับพระกุลเจ้าคุณหญิงตามแจไม่ยอมให้คราดสายตาออกอย่างนี้คนเป็นรัฐมนตรีกล่าวแก้และถูกภรรยาคว้างค้อนใสอาล่ะ มาฟังเรื่องคุณนายลำใหญ่กันต่อเป็นอันว่าแกรู้หมดเพราะเห็นหนอบอกเมื่อครูวงกลับมาแกก็ชี้หน้าแต่ไม่ดา่าเพราะเลิกด่าแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็แกด่าแหลกเลยเดี๋ยวนี้แกไม่ดา่าแต่ก็เท้าเสีเอวชี้หน้าแกไปไหนมาครูวงตอบว่าอ้าว ก็ไปเก็บค่าเช่านาที่ใช้นาดง่ายแล้วไหนค่าเช่าครูวงก็ตอบอึกๆอักอักว่าเออเออเขาเขาผัดไปเดือนหน้าคราวนี้คุณนายลำใหญ่ก็เลยสั่งสอนผัวเสอเลยว่าเตาวงแกน่ะเป็นครูสอนศิลธรรมเสียเปล่าแต่ตัวแกไม่มีศิลธรรมเอาเสอเลยทั้งขี้เหล่าเมายา เจ้าชู้ประตูดินหมูหมาเกี่ยวสิ้นไม่เลือกหน้าแถมโกหกพกลมอีดข้ารู้นะว่าแกไม่เด็ไปเก็บค่าเช่านาแต่ไปหาเมียน้อยที่ปากน้ำโพให้เงินมันไปสามร้อยจริงไหมครูวงก็นึกในใจว่าเอเมียเรารู้ได้อย่างไรสงสัยท่านพระครูวัดป่ามะม่วงบอกพรุ่งนี้จะต้องไปต่อว่าสักหน่อย นี่ครูวงคิดอย่างนี้น้อยแน่มาโทษอาตมาได้ท่านพระครูพูดขันขันจากนั้นจึงเล่าต่อพอครูวงคิดจะมาต่อว่าอาตมาคุณนายลำใหญ่ก็รู้สิอีกเลยดุเอาว่านี่แกไม่ต้องไปโทษหลวงพ่อนะ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 ดีเห็นด้วยนะดีแล้วจะได้เล่าต่อถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแล้วท่านก็เล่าต่อไปอีกว่าในการต่อมาคุณนายลำไยก็ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้หมอบอกว่าแกจะต้องตายภายในเดือนหนึ่งรักษาไม่ได้เพราะเป็นมากอาจเจียนและถ่ายเป็นเลือดแกก็มานอนป่วยที่บ้าน นอนเจริญสติปัฏฐานสี่เพราะเดินไม่ไหวนั่งไม่ไหวแกนอนกำหนดปวดหนอปวดหนอเพราะมะเร็งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนปวดทั้งนั้นคุณนายลำใหญ่แกก็ใช้สติต่อสู้กับทุกขเวทนาและตั้งสติอธิษฐานจิตว่ายังไม่อยากตายเป็นห่วงลูก ขอให้ลูกเรียนจบได้งานทาก่อนค่อยตายที่บ้านแกมีพึ่งหลวงมาอาศัยทำรังอยู่บนหลังคารังใหญ่เท่ากระดง้งวันหนึง่งลูกๆห้าคนก็มากันพร้อมหน้าแกก็บอกลูกว่าลูกดูนะแม่จะแผ่เมตตาให้พึ่งและบอกให้เข้ามาช่วยดูดพิษมะเร็งให้แม่ และแกก็นั่งหลับตาสักพักก็ลืมตาพูดดังๆว่าพึ่งจา๋าช่วยข้าหน่อยข้าปวดเหลือเกินมาช่วยดูดพิษมะเร็งออกให้ข้าด้วยพอแกพูดจบฝูงพึ่งก็บินมาฝูงหนึ่งมาเกาะที่ท้องแก่มาช่วยดูดพิษให้ดูดเสร็จก็ร่วงลงมาตายเกลื่อนพื้นเลยวันต่อมา ก็มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาในขณะที่แกนอนอยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้านลูกๆนึกว่าจะมากัดแม่ก็เตรียมจะฆ่าแต่แกห้ามไม่ให้ฆ่าแกแผ่เมตตาให้งูแล้วก็พูดว่างูเอย๋ยช่วยมาดูดพิษมะเร็งให้ข้าหน่อยงูตัวนั้นก็เลื้อยมาบนท้องแกทำท่าเหมือนจะกัดที่แท้ไม่ได้กัด แต่ดูดมาเลงให้แล้วก็เลื้อยไปได้สัก3ามสี่วาแล้วก็นอนตายอยู่ตรงนั้นส่งกลิ่นเหม็นครุ้งเลยลูกๆแกก็เอาไปฝังเป็นเรื่องอัศจรรย์มากพวกนักข่าวจะมาขอเอาไปลงหนังสือพิมพ์แต่อัตมาไม่อนุญาตเพราะว่าถ้าคนอ่านเขาเกิดไม่เชื่อก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆ ป, ปรากฏว่าคุณนายลำใหญ่อยู่ได้อีกสามปี กระทั่งลูกๆเรียนจบเข้างานได้หมดแกก็ตายนี่ศพยังมาเผาที่วัดนี้พูดพรางชี้ให้ดูเมนซึ่งอยู่หน้าวัดวันเผาศพแกยังแสดงฤทธิ์อีกนะคือวันนั้นอาตมาไปทุระกำหนดว่าจะเผาห้าโมงเย็นอาตมามาไม่ทันเขาก็ไม่รอพอห้าโมงเย็นตรงก็จุดไฟปรากฏว่าเผาเท่าไรเท่าไรก็ไม่ยอมไหม ไฟก็ไม่ยอมติดอาตมากลับมาถึงประมาณทุ่มหนึ่งก็เลยไปจุดไฟปรากฏว่าไหม่เรียบร้อยอาตมามานึกถึงคาพูดของแกตอนก่อนตายว่าหลวงพ่อต้องเป็นคนจุดไฟนะไม่งั้นฉันไม่ยอมไหม้เด็ดขาดนี่แหละเรื่องของคุณนายลำหญยอาตมาเล่าย่อๆนะเนี่ยถ้าเล่าละเอียดวันนี้ก็ไม่จบปรก ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างเงียบกันไปพักหนึ่งแล้วคุณหญิงจึงถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าคะสมมุติมีคนดา่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะโกรธเขาไหมคะโกรธทำไมเขาดา่าเขาก็บาปอยู่แล้วถ้าอาตมาโกรธก็ต้องบาปไปด้วยอีกคนน่ะสิแล้วถ้าเข้ามาขอขามาโทษเจยียงบาปอยู่ไหมคะ ถ้าคนถูกดา่เาเข้าโอโหสิให้ก็ไม่บาปแต่กรรมบางอย่างโอโหสิให้กันไม่ได้เช่นกรรมที่เป็นครุกกรรมหรือที่เรียกว่าอนันตริยกรรมซึ่งมีห้าอย่างคือมาตุคาตฆ่าแม่ปิตุคาตฆ่าพ่ออรหันตคาตฆ่าพระอรหันโลหิตตุบาตทำร้ายโลหิตตุบาต ทำร้ายพระพุทธเจ้าจโลหิตห่อขึ้นและสังฆเพศการยุโยงสงให้แตกกันห้าอย่างนี้อโหสิกันไม่ได้เพราะเป็นกรรมหนักและไม่เปิดโอกาสให้กรรมอื่นมาแทนที่เหมือนที่พระเทวทัตทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่ถือโทษแต่พระเทวทัตก็ต้องตกนรกเพราะทำกรรมหนักไว้ถึงสองอย่างคือนอกจากทำร้ายพระพุทธเจ้าแล้ว ยังทำสังฆเพศอีกด้วยหรือเหมือนกับที่ลูกฆ่าแม่แม่อโหสิให้แต่ลูกก็ต้องตกนรกเพราะเป็นกรรมหนักอโหสิให้แล้วผู้กระทำยังไม่หมดบาปคุณหญิงเกิดกลัวบาปกลัวกรรมเพราะแอ บ, บด่าท่านในใจเมื่อตอนเช้าจึงตัดสินใจสารภาพผิดพระคุณเจ้าที่เคารพ ดิฉันแอบด่าพระคุณเจ้าในใจเมื่อตอนเช้าดิฉันขอโอโหสิค่ะพูดจบก็ก้มลงกราบสามครั้งอาตมาโอโหสิให้คุณหญิงตั้งแต่ตอนที่คุณหญิงด่านั้นแล้วอย่างไรก็ตามอาตมาขอชมเชยในความกล้าหาญของคุณหญิงคนที่ทำผิดแล้วยอมรับผิดนั้นหาได้ยากอาตมาขอชมเชยคุณหญิงด้วยใจจริง คุณหญิงปราบปลื้มเสีจนน้ำตาไหลท่านพระครูจึงชักชวนคุยเรื่องอื่นเสียววันนั้นรัฐมนตรีและคณะออกจากกุฏิท่านพระครูเมื่อตอนพลบค่าคุณหญิงถวายเงินสดแก่ท่านพระครูเป็นค่าอาหารพระเนนและผู้มาเข้ากรรมฐานจำนวนเงินที่ระบุในเช็คค่อนข้างมากซึ่งถ้าหากนำไปซื้อทอง